ถ้าบารมีเราพอนะเราก็จะได้ธรรมะเป็นขั้นขั้นไปเบื้องต้นได้ดวงตาเห็นธรรมฆราวาสมีโอกาสโสดาสกทาคาเนี่ยไม่ยากเกินไปสำหรับฆราวาสนะแต่ถึงขั้นผ้าอนาคายียากมากเลยสำหรับฆราวาสเพราะฆราวาสเนี่ยจมอยู่ในกามกามไม่ใช่เซกอย่างเดียวนะกามเป็นหมายถึง เคลื่เพลินพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสพวกนี้หรือบางทีก็เป็นกรมธรรมคือคิดถึงรูปคิดถึงเสียงคิดถึงกลิ่นคิดถึงรสคิดถึงสัมผัสคราว่าสเลไม่เห็นโทษของกรรมแต่พระหรือนักบวชเนี่ยจะเห็นโทษของกรรมง่ายกว่าเยอะเลยเนะมื่อก่อนหลวงพ่อด้จับเล่าองค์หนึ่งนะท่านอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังท่านเป็นเศรษฐนะีตั้ง30ปีก่อนนะ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 ก็ฝันไว้นะรอคอยว่าวันหนึ่งจะมีคนเอาเขนเหนียวตัวดํามาใส่บาตรวันหนึ่งก็เห็นจริงๆเวลาพระกรรมฐานบินทบาทจะเดินตามกันไปนะเขาก็ใส่ใส่ส่ใส่ใสนะพอจะมาถึงท่านนั้นหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นองค์แรกที่อดนะแต่พระกรรมฐานเนี่ยเวลาไปบินทบาทมานะจะเอาอาหารมาเทรวมกันนะ แล้วก็แบ่งกันปรากฏว่าพระที่อยู่หัวแถวเนี่ยเก็บข้าวเหนียวตัวดำเป็นหมดทุกวันเลยมันไม่ถึงท่านสักวันเดียวนะหลายวันเข้านะั้นท่านบอกไปอยู่กลางคืนนอนอยู่กลางคืนนะคิดถึงข้าวเหนียวตัวดำแล้วร้องไหนะ้คิดสงสารตัวเองนะอนาถตัวเองตอนนั้นห่อหนึ่งไม่กี่บาทหรอกนะว่าโูหเราลูกมีพ่อมีแม่นะทำไมเราแค่ข้าวเหนียวตัวดำเนี่ยแค่นี้เองไม่กี่สตังค์เนี่ย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 เพราะจิตของเราชุ่มอยู่ในกามจิตของเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกามนะไม่เหมือนนักบวชนะักบวถ้ากามเกิดในแทบจะหัวชนฝาเลยนะทรมานจะเห็นว่าโอ้หร้ายจริงจิกิเลสนี้เป็นของเลวร้ายจริงๆนะนี่ของเราก็ฝึกไปนะแค่ถือศีลห้านะถือศีลห้าไว้ไม่ต้องอดเข้าเย็นนะนะแต่กินให้เป็นเวลานะ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 มีลักษณะเฉพาะของจิตเวลาที่จะเกิดอริยมรรคอริยผลไม่ใช่ภาวนาละวันนี้พอละแค่นี้แหละบรรลุแล้วนะนึกเอาเองหรือภาวนาไปจิตรวมวู้สว่างว่างเอาละบรรลุละ ม, มั่วนะ <c oughs> มันไม่เข้าวิถีของมรรคของผลนะวิถีจิตที่จะเกิดอริยมรรคอริยผลมันมีจิตมันตัด สังโยช์ตัดกิเลสมีกระบวนการของมันมีลีลาแห่งการตัดแต่บรามีซาวเอฟเฟกด้วยมีฟ้าผ่าแผ่นดินไหวเทวดาอนุโมทนาโลกธาตุสะเทือนอะไรนั้นเป็นอาการของจิตที่จิตไปรู้เข้าพอไหมวันนี้พอแล้วนะเทศเยอะไปก็จำไม่ได้อยู่แล้ว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 อย่าลืมต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเพราะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะถ้าไม่มีสมาธิไม่มีจิตตั้งมั่นเป็นกลางไม่มีปัญญาจริงนะหลักต้องแม่นนะเมื่อหลักแม่นแล้วเลยข้อเดียวทําให้สงควรจะทําไม่ใช่เจวันปฏิบัติหนึ่งครั้งครั้งละหนาะที <laughs> <laughs> แล้วก็นับมาแล้ว7ปีแล้วทําไมไม่บรรลุสักที <laughs>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 กรรมาฐานก็เหมือนกันเด็กมันฟังซีดีหลวงพ่อนะมันภาวนาเป็นเ่ยอะแยะเลยผู้ใหญ่ก็ฟังแล้วก็คิดเอาหลวงพ่อบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจสติทําไงรู้ยังตอนนี้รู้ยังเนี่ยจะไปถามใครดีว่าตอนนี้รู้ถูกหรือยังค <c oughs> ิดมากคิดมากยากหนาน <c oughs> ใครเคยสงสัยว่าตอนนี้ปฏิบัติอย่างเนี้ถูกหรือยังใครสงสัยเคยสงสัยบ้างยกมือซิ โอ้เก่งที่ยกมือพวกที่ไม่ยกมือก็เก่งเหมือนกันมีใครเคยสเคยตื่นนอนขึ้นมาก็คิดว่าเอ๊ะจะปฏิบัติยังไงดีวันนี้นี่ไหมคิดว่าจะทำยังไงดีทำอะไรก็ผิดหมดแหะแต่ไม่ทำผิดมากกว่าถ้าทำอะไรมันก็ทำมันไม่ใช่รู้ให้เห็นกายมันทำเห็นใจมันทำถึงจะเรียกว่ารู้นะ อ่ะถ้านี้ก่อนก็นแล้วกันหลวงพ่อคึดว่าในนี้จะมีนาฬิกาอ้อมอยู่นี่ฤทธเทศไต่ดาลเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะเอาสงกันบ้านตามสมควรนะอย่าเยอะนะหลวงพ่อเขาไม่ไหวเหมือนกันเนี่ย เ, เทศมาวันนี้วันที่หกต่อกันละบางวันหลายรอบด้วยอ้าเบอร์หนึ่งรือง อ้วเบอร์เบอร์บงเบอร์สาเบอร์เบอร์เบอร์แล้วก็เบอร์หเบอร์เบอร์เบอร์เอาลงได้แล้วยกจดไปแล้วไม่ใช่เหรอเบอร์เบอร์จ เบอร์สิบห้าเบอร์สิบแปดเบอร์แถมหน่อยก็ได้เอาหมดแล้วล่ะนะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเอาเหลือทางนี้อีกเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดเบอร์1ิบแล้วเบอร์สิบเอ็ดีกเบอร์โอ๊ยที่นี่ทำไมช่างถามไปที่อื่นไม่ค่อยมีคนถามเลยถามสามคนสี่คน คิดมากสงสัยมากนะสามสิบสองเนี่ยสามสิบสองยี่สิบหนึ่งจดเล็กๆไว้ข้างล่างก่อนก็ได้สามสิบสองยี่สิบหนึ่ง้หมดละเอาเบอร์หนึ่งเชิญเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอยู่ที่ไหนเอ่ย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 คือ <c ười> ต้องอาศัยครูบาอาจารย์นำเหมือกันหนูกลัวผิดทางคือหนูต้องระวังนะเคยมีพระที่สุริโงอยู่สมัยที่หลวงปู่ดุลยังอยู่นะแต่ไม่เข้าไปเรียนใช้วิธีแอบไปดูจิตหลวงปู่ดุลดูจิตหลวงปู่มั่นดูจิตโลวงปู่ น, นี้นะแล้วพยายามเรียนแบบมันเป็นของปลอมนะ <c oughs> อ่าไอ้นั่นเป็นผลแล้วละ่ะเราไปเห็นผลเราต้องดูเหตุใช่ <c oughs> เหตุคือการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะตอนไปแถมป้าก็มีคนได้มาถามกลางห้องประชุมอย่างนี้เลยบอกเนี่ยขอชำละหลวงพ่อหน่อยผมฟังแล้วน่ากลัวมากเลย <c oughs> ว่ามาดูจิตหลวงพ่อนะทำไมมันว่างมันสว่างมันคงทีนะ่เวลาคุยก็ไม่ไหลไปไหลามานะทำยังไงจะเป็นอย่างนี้บอกทาไม่ได้หรอก ทำไม่ได้หรอกถ้าจะทำต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่น้เป็นกลางอย่าให้อย่าทิ้งหลักนี้นะไม่ไม่ทิ้งค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วเมื่อสองปีก่อนที่หนูไปหาหลวงพ่อที่วัดหนูขอกันบ้านหลวงพ่อเนี่มาจากชีค้าโก้ใช่ค่ะคนนั้นเลยจำได้แล้วหลักนี้เลยคือคราวที่แล้วที่หลวงพ่อสอนนะคะที่หลวงพ่อกรุณาทำไม่ได้แล้วว่าทําดี๋ยวหนูพูดผิดเดวโนหลวงพ่อว่าอีกเดี๋ยวก่อน เอาผิดก็ไม่ว่าอ่ะไม่ไม่นนยกเว้นให้ที่ขออนุ ญ, ญาตให้หลวงพ่อแสดงสภาวธรรมเพราะว่าเรียนรู้โดยสภาวธรรมโดยตรงแล้วหลวงพ่อทําสภาวธรรมที่บริสุทธิ์ให้ดูอยู่แวบหนึ่งก็พัฒนากันมาทั้งกลุ่มค่ะไม่ใช่ไม่ใช่สระบหนูคนเดียวก็ได้มาถึงจุดนี้แล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็คือแบบคราวที่แล้วแวบเดียวอะค่ะคราวนี้ขอสักครึ่งนาทีก็ยังดีอะค่ะขอรับเข้าสู่ใจตรงๆเลยจะได้ไปเรียนต่อไม่เห็นเองอ่ะมันมีความแตกต่างพัฒนาได้เยอะอะค่ะ คือมันเป็นสไตล์นั้นสภาวะหลวงพ่อเป็นไงอ่ะเราไม่เห็นเองอ่ะมันไม่ใช่มีครึ่งนาทีนะทราบค่ะทราบจะดูเอาเองก็แล้วกันต้องลงให้ดูเองเลยนะหรือว่าแบบเจตนาส่งให้นิดนึงอะค่ะพอแล้วค่ะส่งนะไม่ใช่ของจริงนะโอเคค่ะมันคล้ายๆเท่านั้นนั้นพออเพราะว่ามันเป็นการแต่งเอาของจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นของจริงไม่มีอะไรว่าถามยาก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 เหมือนเหรอเหมือนตอนนี้ตลอดเลยเหรอ อ, อคลายครับคลายตอนนี้แน่นไห ม, ไมตอนนี้ <c oughs> อันนี้ปกติเลยเหรอ อ, อคิดว่าเป็นปกติ <c oughs> ต้องค่อยค่อยคลายออกนะ <c oughs> ถ้าอางนั้นแสดงว่าติดเพ่งติดเพ่งเอาไว้ติดเพ่งจิ ต, ต, ตจ้อง <c oughs> ต้องปล่อยให้จิตเคลื่อนไหวหไปตามธรรมชาติธรรมดาได้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 ต้องคลายออกนะจิตจะเบิกบานจิตจะมีความสุขขึ้นมาเบอร์สามอยู่ไหนเอ่ยเ๊้คนนี้เพิ่งถามยกๆยกเอาย่อยๆนะหนูนี่ถามดาวค่ะยกสามข้อนะคะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของโยงเองนะคะแนวทางคือ จากที่จดหมายที่โยมเขียนส่งหลวงพ่อนเนี่ยนะคะ เ, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันโยมจะอ่านจากซ d ดีจะฟังจากซ d ดีแล้วก็จะมานั่งคบคิดหรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองอเพราะนั้นโยมจะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีโอกาสได้ถามมานะฮะโยมจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันนั้นคือนิมิตหรือว่ามันคือของจริงคือไม่ว่าของจริงหรือของเกนะไม่มีนัยยะ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 จุดอ่อนของตัวโยมเองนี่มีอะไรอีกคะที่โยมต้องคอยระวังความอยากนะความอยากนะไปรู้ตัวทีนะตัวเนี้ผลักดันแรงมากเลยฮะไม่ว่าจะอยากอะไรเนี่ยตัวนั้นคือตัวจริงจังไปหมดเลยนะจะทําให้อุดตับจะทาให้แน่นพอโยมพอจะถามอีกสักสองข้อได้ไหมฮะที่ที่มันที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วนะฮะแต่อยากว่ามาลองดูเดี๋ยวคนอื่นเขอาจจะท้วง คืออย่างี้มันเหลือเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงน ะ, ะเอาเท่าที่จำเป็นจริงๆเถอะเหลืออีกตั้ง10คน อ, อ๋อโอเคอันไหนอ่ะสามสิบี่ ส, สอยู่ไหนเอ่ย34สิบนุ่นเอาย่อๆนะ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 เออนะ่ารักค่อยๆรู้สึกอยู่ในกายนะอย่าให้จิตไปติดในว่างให้กลับมาที่กายดีกว่าไปอยู่กับว่างไอ้ <c oughs> นั่นจงใจดูมากไป <c oughs> ถ้าไปจงใจจ้องมันจะแน่นขึ้นมาถ้าดูสบายๆนะไอ้แล้นั้นรุนแรงไปนะเนอะดูเล่นๆ <c oughs> ดูเฉยๆนะอย่าไปอินกับมันเก่งแล้วเห็นไหวๆขึ้นกลางอกแล้ที่เหมาะ ก, กับยี่หลเหมาะแล้วดูจิตนล่เหมาะแล้วเหมาะแล้วคะลงเห็นไหวๆกลางอกได้ไม่ธรรมดานะเวลาภาวนาถึงขัานละเอียดจริงๆเลยแต่ความไหว ย, ยิบยับอยู่กลางอกเท่านั้นเองคือโยมมีอาชีพที่แบบว่า เจริญเจริญเมตตาเยอะๆนะแล้วแผ่เมตตาแผ่พลังที่ร่มเย็นใสเตงที่ปวดไปฮะอะไรนะจิตหยิบฉวยจิตจิตปล่อยวางจิตอะไรคะอ๋อต้องเห็นเอาเองนะทุกวันนี้เราหยิบฉวยจิตไว้เท่านั้นแหละแต่เรายังไม่เคยปล่อยขึ้นมาก็หยิบจิตขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเห็นไหมตอนนั้นนะ่ะตอนตื่น เวลาคิดถึงการปฏิบัตินะั้นก็ไปตะครุบจิตขึ้นมาดูนะนะนั่นไปหยิบฉวยขึ้นมาละ ท, ท้ายนี้ขอปฏิบัติบูบชาอ่าพระพุทธเจ้าค่ะพุทธเจ้าเอ อ, อพระธรรมและพระสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติวิชาหลวงพ่อด้วยนะครับสาธุชอบมากเลยต้องอย่าลืมพระพุทธเจ้านะ <laughs> มายกย่องอาจารย์เกินพระพุทธเจ้าไม่ได้ข้อต่อไปเบอร์อยี่สิบห้าคือไหนเอ่ย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 ครับคอบครับเบอร์สิบอยู่ไหนเอย่ยมีไหมนี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแบบสิบอยู่ข้างหน้าเลยใครจิตออกนอกบ้างทั้งห้องแหละกราบน้ำรสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะ <c oughs> อือดิฉันได้ฟังเทปของพระอาจารย์มาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่พระ ระยะหลังๆนี่ก็เริ่มปฏิบัติค่ะตอนเช้าจะพยายามนั่งสมาธิก็มีสติบ้างในตอนเช้าแต่ก็ไม่ไ ม, ไม่คงทนท่าไหร่โยมอยากจะถามว่าเมื่อเพื่อโยมนั่งปฏิบัติเสร็จแล้วโยมก็จะจะอัลัทธนาไม่ว่าสามีเขาสอนแพ่ส่วนบุญเก็ดีนะค่ะ จะถามว่าการแผ่ส่วนบุญนี้คือโยมจะแผ่ไปทั่วคือตั้งแต่จเจ้ากรรมนายเวรคือคำคำไหนที่จะให้มีมีคุณภาพรรที่สุดคือว่าโยมนี้เพิ่งจะมีโรคประจําตัวขึ้นมาค่ะก็จะแผ่ไปบอกว่าขอให้ออกจากร่างกายนี้ไปะทุกครั้งที่ทําบุญก็จะแผ่ให้ย่างนี้จะได้ผลไหมคะทําไปเลยนะอย่างน้อยก็สบายใจ มีโรคก็รักษาไปค่ะขอให้ออกนะค<ฮ>ือพระหลวงพ่อแนะนําให้ได้ไหมคะอือฮึคือเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคนะมันเป็นวิบากแล้วเป็นผลของกรรมกรรมภาพันธุค่ะอ่กรรมภาพันธุนะเจียงแต่ว่าการที่เราเจริญเมตตาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอะไรเงี้ยใจเราร่มเย็นเป็นสุขใจเราได้สมาธินะค่ะโรคภัยบางอย่างเนี่ยพอจิตมีสมาธิมันก็หายได้ค่ะ หรืออย่างการที่เราคอยแผ่ส่วนบุญไปใจเราสบายไม่มีเวรมีกรรมกับใครจิตใจสงบเบิกบานก็เป็นบุญบุญอาจจะช่วยเราก็ได้ทำแล้วจิตใจดีขึ้นค่ะคือเราได<ช>้ แ, แผ่เมตตาให้เขาแล้วดีแผ่ทั้งวันเลยจะได้น ะ, ะสาธุแผ่ไปเรื่อยๆขอบขอณทุกคุณจะงหวะสิบเก้า นี่ไม่เหมือนที่อื่นเนาะที่นี่ถามเยอะอื่นถามสองสามคนสี่คนค่ะนมันส ก, การหลวงพ่อค่ะ อ, อครั้งที่แล้วส่งกันบ้านเดือนตุลาปีที่แล้วที่เมืองไทยค่ะหลังจากกลับมาก็หลวงพ่อกลูนาะแนะนําว่าให้กันบ้านไว้ก็คือให้ดูจิตที่ไหลไปเพราะว่าโยมมีโมหะแล้วก็หลกักะแล้วก็คือหลักกายของตัวเองมาก กลัจากลับมาจากเมืองไทยเนี่ยชีวิตยากลำบากมากขึ้นหมายถึงว่าในความยากลำบากตรงนั้นเนี่ยยงกับรู้สึกว่าเราสามารถคือจิตสามารถที่จะอดทนแล้วก็ต่อความทุกข์ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทิ้งคำถามไว้คราวที่แล้วก็คือว่ายงไม่สามารถที่จะทำสมาธิได้เพราะว่าจิตไม่เอาหลวงพ่อก็กล่าวว่าให้ดูใจที่ไหลไปแต่ใจเนี่ย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 งั้นจะทำสมาธิในรูปแบบอะไเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแล้วจะพุโทโธจะอะไรนะก็ทำไปด้วยความรู้สึกตัวสบายๆอย่างนี้แหละนะพุโทโธพุโทโธไปหรือหายใจไปแล้วจิตไหลไปก็รู้เอาก็ารู้ได้แล้วล่ะเพราะสมาธิมันมีอยู่แล้วใจบอกมาเลือกมาสองตัวก็คือดูลมหายใจกับอสุภะกรรมฐานค่ะพอมไม่ทราบว่าทําไมเลือก2ตัวนี้ขึ้นมาเอาใจมันจะเอาก็ให้มันไปให้ได้ได้ แต่ถ้าทําอาสุภาะแล้วมันเกิดเกลียดร่างกายขึ้นมาให้รู้ทันความรู้สึกเกลียดค<า>่ะความรู้สึกเกลียดก็จะดับไปเราก็จะรู้กายด้วยใจเป็นกลางต่อไปค่ะ<า>อสุภาะถ้าทําแล้วความเกลียดชังร่างกายครอบงําจิตนะบางคนไปฆ่าตัวตายเลยสมัยพุทธกาลมีพระฆ่าตัวตายเป็นน้อยๆเลยค่ะทีนี้ข้อสุดท้ายก็คือ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 แล้วเราก็สอนให้เขาเจริญสติลรวไม่ต้องพูดคำว่าศาสนาพุทธก็ได้ก็คือใช้ใช้ตัวเองใช่ไหมคะใชแ่แล้วก็ทำตัวเองให้เขาดูนะค่ะแล้วก็สอนวิธีเจริญสติให้อะไรเงี้ยไม่จาเป็นต้องบอกว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรอกค่ะถ้าแม้ว่าเขายืนการ้วว่าเขาจะไม่เปลี่ยนศาสนาแน่นอนแต่ว่าคือคือตัวอย่างที่ยงทำให้เขาดูเนี่ย เขาสามารถคืออย่าไคิดว่ า, าศาสนาพุทธเป็นาศาสน า, าเป็นาศาสตร์อันหนึง่งเป็นคำส<า>อนอห น, นึง่งเป็นวิธีปฏิบัติพัฒนาใจหาให้เขาเรียนาศาสตร์อันนี้ไปไแล้วเขาก็นับถือพระพุทธเจ้าเองเลยได้ค่ะวันนี้ขออนุญาตนหนึ่งพอดียมเพื่อนพาเพื่อนชาวต่างชาติมาค่ะเขาสนใจแล้วก็ศึกษายเยอะมากแต่สิ่งที่โยมต้องการถามก็คือโยมควรจะ สนทนาธรรมกับเขาดีหรือไม่เพราะตัวยอมเองโยมรู้ว so, yeah, ่ายังไม่ถึงขั้นนะคะเราฝึกของเราเยอะๆก่อนแล้วกันเขาเาก็จะเข้าใจไปได้เองใช่ไหมคะเรคือเราแม่นแล้วนะก็เข้าไปบอกเขาค่ะเบอร์ห้าอยับยหนเลยกับการนวัตกรรมหลวงพ่อครับคือตื่นเต้นครับแล้วก็กดอยู่ก็คือจะขอส่งกันบ้านรอบสี่ปีอะครับพอ เพราะว่าสี่ปีที่แล้วไปหาหลวงพ่อที่สวนสัตติธรรมแล้วก็หลวงพ่อให้ให้ดูจิตแล้วก็อืมคือก่อนที่จะเจอหลวงพ่อก็คือมีความทุกข์มากเลยครับแล้วก็ไม่รู้ที่วิธีที่จะต่อสู้กับกิเลสจนมาฟังสืบคิดหลวลงพ่อแล้วก็รู้วิธีการดูจิตแล้วก็สามารถที่จะลดละกิเลสได้ครับแล้วก็ช่วงแรกๆ4ี่ปีที่แล้วก็มีความสุขมากเพราะว่ามันเกิดฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ทําให้เกิด พยายามที่จะปฏิบัติแล้วก็ช่วงแรกๆที่เห็นจะเห็นเป็นพวกพวกปฏิกิริยาพวกความโกรธอย่างเงี้ยครับแล้วพอดูไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามันเกิดจากจิตที่ไม่เป็นกลาง <Okay. S 2> แล้วก็พอดูไปเรื่อยๆจะเกิดสภาวะอันนึงคือจะเห็นความขัดใจเล็กๆะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะกระทบทางตาหรือทางใจอื mm hmm. ก็เลยเกิดความทุกข์มากเพราะว่ามันเกิดทีเย็บแล้วก็บอกเขาว่าไม่อยากรู้แล้วเขาก็จะรู้ก็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 แล้วก็เพ่อเออผมอยู่ที่อเมริกาแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เมืองไทยครับไม่ทราบว่าถ้าจะให้ท่านปฏิบัติเหมือนผมนี่จะต้องทํำยังไงดีครัเอาซีดีหลวงปู่ังบ่อยๆครับแล้ววันนี้พาคุณว่า <c oughs> อยากจะขอกันบ้านให้คุณพ่อคุณแม่แล้วขอกันบ้านผมไปปฏิบัติต่ อ, <พ>อดขอดูหน้าหน่อยเนาะ <c oughs> ขอความพ่อแม่มานะน่ารักมากครอบครัวนี้นัชเชนนั่งเนะี่ย แล้วก็จะขอกันบ้านไปปฏิบัติต่ตอด้วยครับก็ให้คอยรู้ทันใจเองไปได้นะครับพงษ์ช่พุทธโธพุทโธในใจก็ได้ก็ o, ใจมีว<ง>ิคิตแล้วรู้ถ้าได้จุดตั้งต้นตรงที่ใจตั้งมั่นขึ้นมา onda, อันอื่นจะ ง, ง่ายแล้วครับแต่ถ้าใจยังหนีร่องรอยไปอย่างเงี้ยภาวนาอะไรก็ไม่ได้หรอกครับครับ ค, ครับก็เป็นครับฝึกได้ดีนะคุณน่ะคือหัดภาวนากับหลวงพ่อช่วงแรกๆจะมีความสุขมหาศาลเล ทำไมมีความสุขมากในช่วงแรกๆเพราะว่าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตมันมีสมาธิขึ้นมันไปนสุขเพราะมีสมาธินะถ้าจากนั้นจเจริญปัญญาไปจะเห็นแต่ทุกข์นะแต่พอเห็นทุกข์เพร า, าใจมันคลายออกจากทุกข์ใจเป็นกลางไว้ก่อนนะใจใจมันคลายออกแล้วมันจะเจอความสุขอีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยเมื่อ48อยู่ไหนเอ่ยสี ไม่มีหรอหนีไปแล้วหรือหรือว่าเบอร์18บแเอาเบอร์สิบแปดก่อนยกลงมาอย่างงี้ยกลงมาย่างงี้แบบตอนร้องถ้าเราโอเค เอยากเรียนถามหลวงพ่อเกี่ยวกับความโกรธนะคะเพราะว่าเวลาโกรธเนี่ยสติมันมานะฮะแต่ว่าโกรธแล้วเวลาโกรธเรารู้ค่ะว่ามีสติว่าเรารู้ความโกรธอันนั้นแต่ว่ามันไม่หายค่ะหลวงพ่อเราอย่าไปอยากให้หายสิเนาะคิดว่ามันมีอะไรอย่างอื่นท nice ี่มันแฝงมากกว่าความโกรธในนั้นด้วยหรือเปล่าคะเวลาเราโกรธเม่เวลาเวลาโกรธขึ้นมาสติระลึกได้ว่าโกรธ แค่นี้พอแล้วละเราไม่มีหน้าที่รุ้นว่าเมื่อไหร่จะหายแต่เรามีหน้าที่เรียนรู้ความจริงของความรู้สึกโกรธว่าความรู้สึกโกรธนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้อย่างตอนเนี้ถึงเขาไม่หายนะเขาก็สอนให้เห็นแล้วว่าบังคับไม่ได้บังคับได้ไหมไม่ไ ด, ไได้นั่นแหละธรรมะอยู่ตรงที่เราเห็นความจริงความจริงคือบังคับไม่ได้ยังไม่ใช่ไปภาวนาเพื่อเอาชนะกิเลสนะ แต่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่ากิเลสมันก็ไม่เที่ยงนะจิตที่มีกิเลสเนี่ยเราก็สั่งห้ามมันไม่ได้เมืสติเกิดขึ้นแล้วความโกรธมันไม่หายนะคะหลวงพ่อน้สติมันยังไม่พอมั้งคือสติเกิดรู้ความโกรธนะแล้วใจเนี่ยไม่พอใจในความโกรธนี้มันมีความโกรธอีกตัวหนึ่งซ้อนเข้ามาโกรธไอ้ความโกรธตัวนี้แหละเกลียดมัน ใจมันไม่เป็นกลางไม่ขาดให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบแต่ที่ไม่เป็นกลางเขาจะขาดเองค่ะหลวงพ่อมีอะไรที่จะแนะนําเพิ่มเติมไหมคะใจเย็นเด่นเนาะภานาของคุณทำมาได้ดีแล้วละ่ะนค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยใจค่อยโปร่งค่อยเบาขึ้นเรื่อยๆที่ทําอยู่ถูกแล้วเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดอยู่ที่ไหน นมัส ก, การหลวงพ่อค่ะอยากจะมีมีคำถามว่ารู้สึกว่าตอนปฏิบัติหลังๆนี่เวลาจะเวลาจะนอนเวลาคิดคิดคิดอยู่แล้วมันก็รู้สึกว่ามันมันตัดนะคะมันตัดชึง้งแบบว่าแบบตกท้ายทันทีขากระตุกเลยด้วยจ้ะเหมืนมันอะไรกระตกุกอะไรตัดนะตัดอะไรยังคิดคิดอยู่แล้วมันก็เหมือนกับอะไรมาวกหนึ่งแล้วมันก็หายไปเลย อ, อันนี้เรียกว่าเป็นการตัดหรือการดับอะไรกสติมันเกิดขึ้นนะความคิดมดับทันทีเลย เป็นเรื่องปกติเรื่องปกติหมายควว่ามันมันไม่ใช่ว่าดับเฉยๆนี่มันดับว่ามันถักมันตัดมันตัดไปเลยเราทิ้งมันทิ้ก็ลืมไปเลยรู้สึกว่าตัวกระตุกด้วยกันเหรอแมมี sound effect ด้วยแล้วสมมากจะเป็นเป็นช่วงช่วงตอนจะนอนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันใกล้จะหลับแล้วใกล้จะหลับแล้วแล้ว้ตนหลังๆนี่เป็นเป็นแบบธรรมดาด้วยแต่ว่าตอนแรกๆมันเริ่มจากช่วงนั้นค่ะ ทำใจสบายๆนะดูไปสบายๆแล้วเราดูจิตนี่ดูถูกใช่ไหมคะหรือว่าจะไปดูอะไรดูถูกดูถูกค่ะดูสบายๆน ะ, ะดูไปให้มีความสุขเบอร์สิบห้าอยู่ไหนเอออยู่ข้างหน้านี่กราบนมัส ก, การของพ่อครับก็ผมไม่ได้ทำ ภาคปฏิบัติเหมือนท่าทีหลวงพ่อนะฮะแต่ก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อได้มาเยอะมากเลยครับก็เข้ขาใจดีตอนนี้ที่ผมเริ่มทำมาเนี่ยนะฮะพอปฏิบัติมาแล้วประมาณ3ปีครึ่งนะแล้วก็พนว่าชีวิตส่วนตัวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะสมัยก่อนเป็นคนที่โกรธโมโหอะไรพวกนี้นะรู้สึกว่าดีขึ้นมากทุกอย่างเลยครับ ก็เลยปิบัติมาตลอดอนะทุคืนนี้ก็ปฏิบัติทุกคืนก่อนนะอสนสวดมนต์ก่อนด้วยนะครับก็ปฏิบัตินี่ประมาณ 15- บหสแล้วแต่บางวันทําได้ดีทําไม่ดีแลก็แล้วแต่นะครับถ้ อ, อยู่ในช่วงนั้นนะครับอตอนนี้ก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างที่ที่อยากจะเรียนถามที่สําคัญที่สุดนะจะเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็จะถามหลวงพ่อครับ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 โผล่ออกมาเลยนะเหมือนกับมีแสงสว่างเจ้ า, อ, า, าออกมาทั้งหูน้ำตาไหลออกมาเต็มที่หมดเลยนะครับเราก็มาเด็กว่าเอ๊มนันอะไรก็ เ, เกิดเราก็รู้ว่าเออเกิดเกิดปิติแล้วก็รู้ว่าเออเกิดเราเกิดปิติอยู่นะเ ข, นะข้าใจาลแล้วก็ค่อยๆกระจางลงแล้วก็วก็สงบเย็นลงยเยือกเย็นล ง, ไ ป, นะนงไปเรื่อยๆๆๆนะฮะก็เลยรถึงเอ๊เราก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ทําให้เราเกิดนึกขึ้นมาว่าเอ๊มรูปสุดทุกอย่างเนี่ยมันเกิด โดยเหตุปัจจัยทั้งนั้นถ้ามีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเราก็ทําให้ย้อนลงไปถึงเรื่องที่ที่ที่เกิดขึ้นประสบการณ์นะแล้วทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เคยลืมเลยมัน ป, ประทับชิตจุ่นในใจตลอดเวลาแต่จะทําให้เกิดอีกไม่ได้เลยไม่ได้อันนี้ก็ อ, อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ประสบการณ์เนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่ครับ ก็อะไรจะเกิดไม่สำคัญนะสำคัญปีติเกิดมารู้ทันก็เห็นผ่านไปคือใจมันมีปัญญาขึ้นมาเวลาจิตมันเกิดปัญญาภาวนาไปได้ความรู้ความเข้าใจในความรู้ความเข้าใจจากการภาวนาเนี้ยจะฝังเข้าไปลึกเลยฝังแบบข้ามภพข้ามชาติได้ยิ่งใจได้เรียนรู้ไปด้วยคือตอนนั้นเนี่ยอ๋อขึ้นมาเลยนะออ อ, อไม่ขท่านตร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 มันกิเลสมันมีหลายชั้นซ่อนอยู่เอยอะแยะแค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปก็ใช้การเคลื่อนไหวเป็นวิหารธรรมไป <ๆ S 2> ถึงเวลาก็เคลื่อนไหวมือตามรูปแบบอยู่ในชีวิตประจาวันนะจะขยับแค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็เหมือนกับ <ๆ S 2> นะเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะนั่แหละเพื่ออะไรเพื่อปลุกความรู้สึกไม่ให้หลงยาวแค่นั้นเองที่ท่านขยับขยับนะเพื่อไม่ให้หลงยาว พอจิตตั้งมั่นแล้วนะถ้าเดินแนวหลวงพ่อเทียนได้แม่นแม่นจริงนะพอขยับแล้วจิตรู้สึกตัวแล้วก็เคลื่อนไหวไปจะเห็นว่ารูปนี้ไม่ใช่ตัวเรานะตั้งอย่างนี้เดินปัญญาละถ้าขยับแล้วแค่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาไม่พอลนะนะูกศิษย์หลวงพ่อเทียนที่หลวงพ่อรู้จักนะที่ภาวนาดีจริงๆหลวงพ่อคำเขียนองค์หนึ่งนะองค์นี้แหละดีเวลาเจอกันนะน่ารัก ท่านบอกอาจารย์ปมุ่เราเป็นักรยานามิจกันนะลอกเราไม่เคยสงสัยอาจารย์ปมุดเลยตั้งแต่เห็นครั้งแรกแล้ว <c oughs> ตอนไปเจอท่านครั้งแรกท่านเป็นมะเร็งลุกขึ้นก็ไม่ได้นะนอนอยู่ท่านก็บอกว่าโอ้ไปได้แล้วศา ส, นะ ส, สนามีคนรักษาแล้วบนะอบอกผมไม่ไหวแล้วนั่นะ ท่านก็ดีนะตอนนี้ใครไปหาท่านนะท่านบอกให้มาหาอาจารย์สมมุติถ้าใครมาหาหลวงพ่อนะถ้ารู้ว่ามาจากแถวชายภูมิกไปหาหลวงพ่อคำเขียงเขาก็ไปบอกว่าเขาไปไปแล้วหลวงพ่อคำเขียนบอกให้มาหาหลวงพ่อสมมุติคือถ้าเข้าใจกรรมฐานเข้าใจธรรมะแล้วนะมันไม่มีความต่าง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 นวมส ก, การหลวงพ่อประโมทนะครับคือผมอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับเวลาปฏิบัตินี่นะครับเวลา น, นี้ที่อาจารย์บอกว่าไม่เพ่งกับเผลอตอนนี้ของผมนี่ไม่เพ่งก็หลับครับตอนนี้อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ใ ห, ให้เจริญให้ให้คำแนะนำด้ยวยครับอาจารย์พยายามเคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวไหมอาจารย์เคลื่อนไหวไหมใช้ความเคลื่อนไหวใช้ร่างกายมาช่วยตอนนี้ถ้านั่งสมาธิก็จะเคลื่อนไหวแบบไหนอาจารย์เคลื่อนไหวยังไงก็ได้นะอย่าสมัย หลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อมีพัดเยือนนะนั่งพัดจะอยู่เมืองนี้หนาวๆคงพัดไม่ไหวนะถ้าร้อนๆก็นั่งขยับอย่า ง, งี้นั่งแล้วก็รู้สึกตัวแค่พัดนี้นะก็คือหลักเดียวกับหลวงพ่อเทียนนะนะเส้นไหวแล้วรู้สึกเส้นไหวแล้วรู้สึกของคุณต้องเอาร่างกายมาช่วยนะครั บ, รบถ้าไปดูจิตล้วนๆเดี๋ยวมันจะหลับไปครับที่โดยธรรมชาติาตเนี่ยถ้าอายุ48ดอัปนะอยู่นิ่งไม่ได้แนละ้วโดยธรรมชาติครับครับ <laughs> ต้องเอากายช่วยหลวงพ่อบวชนะขนาดพอน้ำเลยว่าแต่เด็กนะตั้งแต่เจ็ดขวบพอนามาตลอดเลยพอบวชแล้วมันนั่งสมาธิเดินจงกรมจะหลับเอานะเพราะร่างกายมันซุดโทมลงแล้วต้องใช้วิธีเคลื่อนไหวเขาขยับไปนั่งพัดไปเรื่อยนะมีพัดอยู่อันไปไหนก็ถือไปเรื่อยเคลื่อนไหวไว้ครับครับแล้วถ้าสังเกตให้ดีนะจะเห็นนะหลวงพ่อไม่เคยหยุดกระดิกเท้าเลย ถ้ามีโต๊ะเนี่ยก็ดีหน่อยซ่อนได้จะขยับไปเรื่อยเรื่องความเคยชินเรียนยเต้นถามอาจารย์อีก อ, อีกข้อนึงครับตอนทุกปีนี่ผมกับภรรยาจะถือสินแบตแล้วรู้สึกว่าตอนถือสินแบตนี่พราะมีศินแล้วสติจะเกิดขึ้นดีมากขึ้นกว่าเดิมดีเพราะาเราถือเป็นคราวๆน ะ, ะแต่ถ้าถือสินแบตทุกวันมันจะดื้อๆไปใ่มันจะดื้อด้านคือมันไม่ค่อยเกิด หรือเป็นคลางคล้าวพระ ว, ว, วาดนี้หลวงพ่อแนะนํานะถ้าจะถือศีลแปดเนี่ยให้ถือเป็นครั้งคล้าวถือตลอดลําบากนะถือตลอดอย่างถ้าเราทํางานหนักๆตอนบ่ายแล้วตอนเที่ยงแล้วไม่กินข้าวเลยนี่ลําบากหรือบางคนทํางานเนี่ยตั้งใจไปถือศีลแปดตอนพักกลางวันก็เที่ยงแล้วไม่ได้กินแล้วทั้งั้งเดี๋ยวก็โสมยั่งถือเป็นครั้งคราว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 ช่วยมันหน่อยปลอบมันปลอบมันว่าเดี๋ยวความทุกนี้เดี๋ยวปัญหานี้นก็ต้องผ่านจนได้แหละพอใจมันสบายใจมันร่มเย็นขึ้นมาแล้วก็ค่อยดูต่อ <c oughs> 21นมีคนหนึ่งนะเป็นด็อกเตอร์มาเรียนที่อเมริกานี่แหละเรียนเรียนอยู่ทางซานฟรานเขาวันหนึ่งมาส่งกันบ้านบอกสติแตกหมดละ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 ก็เราคิดแล้วกิเลสมันแะท <c oughs> รกหลวงพ่อแล้วยังโยมนี่ดูจิตนี่ใช้ได้แล้วใช้ได้ใช้ได้นี่ใสโ ย, ยมขี้โมโห <c oughs> ดูจิตเนี่ยดูง่ายมากเลยนะแต่ดูไปดูไปแล้วมันโมโหขึ้นมามันขัดใจขึ้นมาอีกนะให้รู้ทันลงไปเลยมันไม่เป็นกลางแนะอ่ะแถมอีกคนหนึ่งสามสิบหก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 อยู่กับโลกมีอยู่กับความคิดนั่นแหละแต่ความคิดเกิดขึ้นแล้วจิตใจหดหู่ให้รู้ทันอยากให้หายหดหู่รู้ว่าอยากนะดูเข้าไปตรงๆรงรู้เข้าไปตรงๆงเลยนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คื อ, อเป็นคนขี้รำคาญเนี่ยนะยังไม่รู้จะแก้ตรงนี้ยังไงไม่แก่นะให้รู้ทันว่าจิตมันรำคาญนะอมันก็จะราคาญไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่หรอ ก, รอกแต่แฟนจะเห็นเลยความรำคาญไม่ใช่จิต จิตไม่เคยลาคาญอห ม, อมความลำคาญเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นมาเป็นคลาลแล้วฝึกไปจนชำนิชำนาญ น, นะแต่อไปไม่มีลาคาญสักนิดหนึ่งก็ไม่มีนะแด้พราณาคาเมื่อไหร่สบายไม่ลาคาญละก็ฝึกฝึกดูมันไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ฝึกรู้นะไม่ฝึกแทรกแซงไม่ฝึกบังคับไม่ฝึกแก้ไขนะคือถ้าฝึกดูไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ทันเราก็จะ ช่วงเวลามันก็จะสั้นลงสั้นลงเราจะรู้รไตรลักษณ์เราจะรู้เลยว่าจิตเจะปรุงความลาคาญขึ้นมาห้ามไม่ได้หรอกะจิตจะทุกข์ขึ้นมาห้ามไม่ได้หรอกสุดท้ายก็จะเห็นเลยจิตมันไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วนะเห็นเหมือนเป็นคนอื่นไปนะกายไม่ทุ ก, กข์ละอ้าแล้วนะพอสมควรแนละ้วขอบคุณหลวงพ่อมากนะครับแล้วพรุ่งนี้มีอีกนะครับ ก็ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อไว้ด้วยสําหรับครั้งที่สองหพ่อกําเขียนเคยมาที่นี่สองครั้งก็กราบนิมนต์หลวงพ่อไว้ล่งหน้าด้วยไปไหนเนะเคยมาที่นี่สองครั้งหลวงพ่อกําเขียนก็นิมนต์หลวงพ่อไว้โล่งหน้าก็พวกนี้ถัดไปครับอคืนนี้มีอีกรอบนะฮะเป็นของฝรั่งมาฟังได้แต่อย่าไปแย่งเขาถามทุ่มหนึ่งนะครับ แล้วพรุ่งนี้มีอีกรอบ9โมงถึง11โมงนะครับขอบพระคุณลงมากลงพ่อมากครับเทศเทศฝรั่งฟงังลราหลวงพ่อปวดหัวนะเราพูดกับเขาไม่เป็นอนะ่ะคุณหมอต้องแปลใช่ไหมคุณหมอตานเย็นอ่ะคุณหมอมันนั่งตรงนี้เลยเหมือนทั่งแปล